พระธรรมเทศนาแผ่นที่59าลำดับที่9โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่13ทธันวาคม2554มีชื่อเรื่องว่าคำเตือนจากย ม, มทูตแต่เมื่อวานก็มีคณะนักศึกษาแพทย์มหิดล มาเป็นคณะสิบเสิบเกคนมัน้งนักศึกษารถตู้สองคันมวันมาพูดเกี่ยวกับที่จะบวชที่จะขอบวชติดต่อกันมาหลายปีแล้วนะถ้ามาบวชปีนี้ขงกงมเป็นปีที่หแล้วมั้งปีแรกก็1ิบสปดสิบดนักศึกษา แต่คงจะเป็นแพทย์เป็นหมอไปแล้วล่ะแต่ว่าปีนี้ปีนี้เขาบวชต้งหมดสิบเอ็ดนะแต่ปีหนะ้าสิบห้าน่ยยังยังไม่ทราบเพราะต้องขออนุญาตจากหลวงพ่อก่อนในเมื่อได้อนุญาตจากที่นี่แล้วก็จะได้ประกาศได้ขึ้นบอร์ดว่าใครจะจะบวชแล้วก็บวชที่วัดป่านาะคำน้อย แต่นั่นก็จะได้รู้จํานวนจํานวนผู้ที่จะบวชก็โดยมากามันมีแต่ปีสองกับปีสามถ้าปูปีสขึ้นมาแล้วก็ทํางานแล้วเข้าเวรเข้าเวรเข้าประจำเวรบวชไม่ ไ, ปป 5, ดได้ตั้งแต่ปีสี่ไปปีห้าปีหกบวชได้ตั้งแต่ปีหนึ่งกับปี2ปีสาม พอปีสามปิดเทอมแล้วก็บวชพอปีสีขึ้นมาแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะบวชเมื่อวานก็มาหาหลวงพ่อหลวงพ่อกว่าไม่ขัดขอ้องเพราะที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าก็ไม่มีอะไรพราะเด็กนักเรียนแพทย์ทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นอัจฉริยะพอสมควร ในชุมชนในยุคคนที่จะสอบแพทย์สอบหมอได้เนี่ยไม่ใช่ธรรมดาแต่ว่าเรื่องท่องเอสาหังเนี่ยไม่ได้ห่วงเขาเลยนะเก่ <c oughs> งมากเขาท่องมาตั้งแต่นู่นอ่ะพอกับพอบมาถึงนะรับพูดได้หมดทุกคนทำนองอะไรก็พร้อมแต่ลุงพ่อก็ติงเมื่อวานเลย ติงเมื่อวานกับตรงที่พวกเราเข้ามาบวชก่อนเป็นรุ่นรุ่นพี่ที่บวชก่อน่ะไม่ใช่ว่าเข้ามาบวชแล้วอไม่เป็นที่พอใจถูกต้มเอถูกต้ ม, ถ, ตมถูกตุนแล้วเข้ามาแล้วกันหลอกใหลก้ลูกน้องมาพวกรุ่นน้องมาบวชอีกออย่างนั้นหรือไม่แต่ตามจริงรุ่นพี่เนี่ยเข้ามาบวชเนี่ย ได้อะไรไปบ้างได้ศึกษาอะไรบ้างได้ปฏิบัติตนอย่างไรบ้างได้ประสบการอะไรบ้างรุ่นพี่น่าจะทั้งหมดน่าจะเขียนเป็นจะเขียนเป็นจดหมายเหตุเป็นจดหมายเหตุจากนั้นก็มารวมกันแต่ละคนตั้งแต่ขณะที่ว่าตัดืินใจบวช แล้วก็เข้ามาบวชแล้วก็มาอยู่วัดจนถึงวันลาสิกขามีความรู้สึกอย่างไรในความรู้สึกแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแต่ที้เอาความรู้สึกหลายคนมาเขียนเขียนออกมาแล้วก็ลักษณะเป็นจดหมายเหตุเพื่อจะให้รุ่นน้องได้ศึกษา ว่าก่อนที่จะเข้าบวชควรทำตนอย่างนี้ผมได้ปบศพพบกับตนเองมีความเห็นอย่างนี้มีความคิดอย่างนี้มีความตั้งใจอย่างนี้แต่พอเข้าไปแล้วมันเป็นอย่างนี้มันดีแล้วไม่ดีอย่างไรอันนี้นักศึกษาทั้งหลายน่าจะน่าจะเขียนเป็นเป็นเล่มขึ้นมาเพื่อให้รุ่นน้องๆได้ศึกษา เพราะเราไปอยู่ในสถานที่ใดไม่ใช่อยู่ในสถานที่นี่แห่งเดียวล้วไปอยู่ในสถานที่ใดก็ตามก็น่าจะเขียนเป็นจดหมายเหตุขึ้นมาเล่มเล็กๆ เ, เ, เพื่อการศึกษาแต่รุ่นหลวงพ่อจะดีนะไม่ใช่ว่าหุ่นพี่ถึกต้มแล้วก็หลอกให้ทุ่นน้องมาถูกต้มอีกบวชเข้ามาแล้วก็ไม่ได้อะไรแล้วจะบวชทำไมหลวงพ่อก็เหมือนกัน อย่างลูกหลานเข้ามาวันผมอยากจะบวชครับปีนี้หลวงพว่อเออเอารับไม่ใช่ว่าจะรับเพียงแค่นั้นไม่ใช่แต่รับเพียงแต่ปากเท่านั้นนะหลวงพว่อจะต้องวางแผนมอแล้วเออปีนี้นักศึกษาแพทย์จะเข้ามาบวชพระองค์ไหนบงังควรจะดูแลอย่างไงควรจะดูแลพระนวกะอย่างไรควรจะวางแผนอย่างไงควรจะอยู่ที่ไหนใครจะเป็นคนดูแล เรื่องพระนวกะปีนี้หลวงพ่อก็จ้องได้วางวางไว้เหมือนกันคิดในใจไว้เหมือนกันแลว้วกุฏิจะให้พักที่ไหนบริขารและเป็นยังไงบริขารพร้อมไหมบริขารดีไหมและจะถ้ายังไม่มีก็ต้องหาแหล่งบริขารสั่งเข้ามาเตรียมพร้อมมาไว้เพื่อไม่ให้ขาดตกบกพร่องแล้วทางครัวละ่ะอาหารการบริโภคเพียงพอไหม ถ้าคนเข้ามาขนาดนี้มีปัญหาอะไรหลวงพ่อในฐานะเป็นหัวหน้าหลวงพ่อก็ต้องได้คิดเพราะคนจะเข้ามาอยู่ด้วยเป็นกลุ่มขนาดนี้มันก็ต้องได้คิดก็ได้วางแผนพอสมควรตักกลุ่มใหญ่แล้วก็ต้องวางแผนใหญ่ตักกลุ่มใหญ่ไปแล้วก็ต้องคิดหา ช, ชุมชนภายนอกเข้ามาช่วยวเราจะทำกันยังไงนี่ น, นีค่คือหัวหน้า หัวหน้าวัดพวกนั้นพวกลูกหลานที่จะเข้ามาบวชไม่ใช่ว่าคิดสนุกแล้วก็มาบวชบวชก็เป็ น, นผ่านๆไปเท่านั้นเลยมันหนักนะมันหนักหลวงพ่อเองไม่ได้หลวงพ่อไม่ได้คิดอะไรถึงลูกหลานจะบวชเข้ามาแล้วผ่านไปแล้วลูกหลานหลวงพ่อเองก็ไม่ได้มุ่งหวังว่าเออเป็นลูกศิษย์ลูกหาของเราเราจะต้องพึ่งพาอาศัยลูกศิษย์ลูกหาอย่างนู้นอย่างนี้หลวงพ่อก็ไม่ได้คิด พวกลูกหลานเข้ามาเพื่อศึกษาลุงพ่อก็สอนวิชาพระพุทธศาสนาให้ศีลอย่างนี้นะสมาธิอย่างนี้ปัญญาอย่างนี้นะให้ปฏิบัติตนอย่างนีนะ้มีแนวความคิดอย่างนี้นะให้คิดไปในเป็นสัมมาทิฏฐิอย่างนี้นะถ้าหากว่าคนอในชาติมีคุณภาพมีคุณธรรมมีศีลธรรมดีประเทศชาติก็จะอยู่ด้วยกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุข ไม่เบียดเบียนซึ่งกันละกันเพราะคนมีศีลธรรมมากมีศีลธรรมมีจริยธรรมที่ดีถ้าคนไร้ศีลธรรมขาดศีลธรรมไปที่ไหนก็มีแต่ความไม่ไว้ใจกันแลแวงแขงใจกันพูดอันหนึ่งก็ออกมาอย่างหนึ่งพูดอย่างหนึ่งก็เป็นไปอย่างหนึ่งเพราะเหตุไรเพราะมันไม่มีความสัต์จริงมันเป็นพูดอะไรก็หาความไว้ใจกันไม่ได้สุปแล้วก็คือมุสาไปทั้งนั้น เพราะไม่มีศีลเนแต่ส่วนลึกของคนที่ไม่มีศีลนั่นก็คือความไม่เชื่อว่าตายแล้วเกิดเนี่ยตายแล้วเกิดและกระบาบบุญไม่มีในจิตใจเพรา ะ, ะนั้นเขากลัวแต่กฎหมายท่านเองทีนีเขาไม่กลัวบาปกรรมจุดนี้ะเป็นจุดที่คนที่อยู่ด้วยกันเน่ มันพูดอะไรไปได้ทั้งนั้นตรปลตแรงไปได้ทั้งนั้นกลัวตักฎหมายถ้าผิดกฎหมายอะไรนะกฎหมายเอ่เล่นงานจับเข้าคุกเข้าตารางเดียปรับไหมใส่โทษอันนั้นเขากลัวแต่ว่าเรื่องตายแล้วศูนย์เนี่ยตายแล้วเกิดเนี่ยแล้วบาปบุญมีจริงหรือไม่เนี่ยถ้าเขาเชื่อว่าตายแล้วเกิดบาปบุญมีใครทํากรรม ไม่ดีไว้กรรมนั้นจะตามสนองทั้งในชาตินี้และชาติต่อไปถ้าใครทำดีเออแล้วก็ตายไปพบหน้าชาติหน้ามีถ้าว่าใครทำดีบุญกุศลก็จะเกื้อกูลหนุนในพบชาติต่อไปถ้าเขามีความเชื่อในใจอยู่ในใจอย่างนี้เขาจะไม่ทำความชั่วทั้งในที่รับทั้งในที่แจ้งเขาจะต้องจํารวมระหวัง เพราะว่าความชั่วหรือความดีเนี่ยความดีถ้าจะเปรียบเทียบก็เอาความดีเหมือนน้ำแข็งซะความชั่วเหมือนกับไฟถ้าเราทำนัสถานที่ใดถึงจะอยู่ในที่หมมมืดอยู่ในห้องไม่มีใครเห็นจับไฟดูสิมันร้อนไหมร้อนถ้าจับน้ำแข็งดูสิมันเย็นไหมเย็นแต่ไี้ถ้าว่าเรามีความเชื่อว่า ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วบาปบุญคุณโทษมีจริงนรกสวรรค์มีจริงตายแล้วไม่สูนตายแล้วเกิดอีกอยู่ในใจฝังไว้ในใจถ้าเราจะทำสิ่งไหนเราจะไม่ทำเราจะไม่พูดเราจะไม่คิดในสิ่งที่มันไม่ดีนั้นเราจะต้องทำในสิ่งที่ดีนั้นแต่ว่าจุดที่จะให้เชื่อนี่ทำอย่างไรจุดที่ทำจะทำให้เชื่อนี่ทำไง ไม่คิดจะนึกเดาเอาสอนบอกเก่ากันก็เชื่อกันถ้าบอกเข้าไปแล้วก็เชื่อกันก็เหมือนกับวัวควายที่จูงจมูกไปที่ไหนก็ได้ อ, อย่างนั้นนะแต่ตามไม่จริงถ้าไม่เชื่อเลยก็เหมือนกับคนตาบอดอคนตาบอดมาแต่กาเนิดไม่ได้รับการศึกษาอะไรเลยเแต่ดันทุลังบอกอะไรไม่ไม่ฟังใคร ไม่ยอมฟังไข่ดันทุลังนะตาบอดนั่นก็ไปไม่รอดอีกเหมือนกันนะตกเหวตกบอดโดนขวากตัวนนามได้ทั้งนั้นเพราะอะไรเพราะตาบอดไม่ยอมฟังใครแต่ถ้าว่าตาบอดก็จเองอยู่แต่ว่าคนตาดีนี่แนะนำแล้วก็จูงไปไปในทางที่ถูกผลที่สุดก็ตาบอดนั่นก็ไปพาไปหาหมออีก หมอก็พยายามรักษาต่อไปก็เป็นคนตาดีขึ้นมาได้มองเห็นได้อันนี้พอตาบอดยอมเชื่อคนชมเชื่อคนตาดีแต่ถ้าว่าตาบอดไม่ยอมเชื่อใครไม่มีหรอกใครจะรักษาตาให้หายได้วะถ้าบอดมาอย่างนี้มันก็ต้องเป็นอย่างนี้ต่อไปถ้าตาบอดดันทุลังอย่างนั้นก็ตาบอดตลอดถึงวันตายแล้วก็ไม่ยอ ม, เ, อมเชื่อ ฟ, ฟังใครอีกต่างหาก เพราะว่าตาบอดหัวดือ้อหัวลันตาบอดมีทิฐิมานะนี่ก็เหมือนกันถ้าเราเรายังไม่รู้ว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูนนรกสวรรค์มีจริงหรือไม่บาป บ, บุญคุณโทษมีจริงหรือไม่เราไม่ได้รับการศึกษาเราไม่ได้ยินได้ฟังแต่เมื่อเราได้ยินได้ฟังทีนี่เราก็ต้องฟังไว้ทีนี่ฟังกดตาดีเขาพูดเอาไว้พระพุทธเจ้า คนตาดีคือพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าคือตาดีท่านตาดีจากนั้นก็สอนสอนวิธีการเราเห็นอย่างนี้อย่างนี้นะเราทําอย่างนี้อย่างนี้นะเราปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้นะในธรรมคาสอนจากนั้นเราก็ฟังพอฟังแล้วเราก็นํามาปฏิบัติดูนะท่านให้ทําอย่างไรนิดวิธีการทําเพราะไม่ไม่วิชาในโลกนี้ไม่ไม่ใช่ว่าเราจะรู้หมดทุกอย่าง สะย่ำภูรู้หมดทุกอย่างไม่ใช่มีแต่พระพุทธเจ้าท่านว่าสยามภูรู้แจ้งโลกรู้หมดทุกอย่างที่เรานำทำคำสอนออกมาประกาศเผยแพร่นีคือเรานำทำที่จะเป็นประโยชน์พูดที่จะทำเมื่อปฏิบัติแล้วจะทำให้จิตใจเบื่อหน่ายคลายหลุดพ้นจะไม่เมาเวียนไหยตายเกิดในวัตฏสงสารอันนี้คือวิธีการที่เราสอน แตว่วิชาที่เรารู้แต่ทำให้โลกติด เ, ออเรียนไปตลอดก็ยิ่งติดยิ่งมัดยิ่งแน่นยิ่งคลายไม่ออกยิ่งลุ่มหลงมัวเมาอีกยิ่งออลุ่มหลงในมัวเมาในลาบในยศในสรรเสริญในสุขอีกจนไม่มีโอกาสที่จะถอดถอนออกมาได้อันนั้นเราไม่สอนเพราะโลกมันติดอยู่แล้วเราสอนโลกเนี่สอนให้เบื่อหน่ายคลายให้เห็นอันิจังทุกขังอนัตตา ให้เบื่อหน่ายคลายกระทั่งกายร่างกายของตงัเองเบื่อหน่ายกระทั่งใจตัเองอีกตั้งหากไม่ยึดมัน่นถือมันในใจตัวเองอีกตั้งหากจากนั้นรู้แจ้งเห็นจริงแนละ้วจิตใจถอนเพราะเห็นโทษแล้วก็เบื่อหน่ายอันนี้วิธีวิชาพุทธศาสนานสอนอย่างนี้แต่วิชาทางโลกหนึ่งสอนอีกอย่างหนึ่งสอนให้มุมานะให้ให้คิดให้วิเคราะห์ผลที่สุดก็ติด เพราะในโลกวิชาในโลกลมีมากวิชาเพียงแขนงเดียวเท่านั้นผู้เชี่ยวชาญผู้ไม่เชี่ยวชาญรู้ขนาดตึงรู้มากรู้น้อยต่างกันอีกกฎหมายก็เหมือนกันวิทยาศาสตร์วิทย์คณิตวิชากเกษตรพิธาธรรมอาหารวิชาหมอมีมากมายวิชาในโลก แต่วิชาพุทธศาสนาเนี่ท่านให้สอนอย่างไรก็สอนกับพระพุทธเจ้าอะเราไปค้นคว้าอย่างไรศึกษาอย่างไรในวันเดือนหกเพนวันที่วันเดือนหกเพนวันที่สูดสําเร็จนะ่ะแต่หกปีเราไม่ต้องพูดถึงอันนั้นค้นคว้าค้นคว้าเป็นเวลาหกปีแต่วันสุดสาเร็จนะ่ะวันเดือนหกเพนท่านทําอย่างไร จุดนี้ลยจุดที่พวกเราจะต้องศึกษาท่นั้นะพอศึกษาสูตรําเร็จวันเดือนหกเพนเสร็จแล้วเราก็ศึกษาในวิธีการสอนของท่านสอนสาวกของท่านทำมาจากกระปวัตประวัตินสูตรอนัตตลกานสูตรอนิตตปริยายาสูตรจากนั้นก็ท่านก็สอนไปเรื่อยๆแตนี่นเราก็ศึกษาตามธรรมคําออสอนของท่าน คนคนนี้ปัญญาขนาดนี้ท่านสอนทำข้อไหนเข้าไปคนคนนี้วิชาขนาดนี้ท่านสอนอะไรเข้าไปวิชาอย่างนี้ท่านสอนยังไงเข้าไปท่านก็บอกว่าคนเราเนี่ยจะให้เสมอกันไม่ได้คิด ป, ปะพิญญาคนรู้รู้ได้เร็วเรียกว่าพวกที่มีปัญญาเฉียบแหลมเรียกว่าคิด ป, ปะพิญญาทั ท, าทันธาพิญญาพวกรู้ได้ช้านะ พวกรู้ได้ช้าจ ะ, จะสอนอย่างไรพวกรู้ไเร็วจะสอนอยังไงอันนี้ในหลักของพระพุทธศาสนา ม, มีครบถ้วนบริบูรณ์เลยทีนี้ถ้าเราอย่างลึกเข้าไปแล้วศึกษาเข้าไปแล้วแต่เราเนี่ยจะจะเป็นกิจ ป, ป, ปัญญาหรือจะทันทาปัญญา เ, เราก็ต้องดูตนเองอีกเหมือนกันไม่ใช่ว่าท่านว่าอย่างไงเราก็จะเป็นอย่างที่ท่านว่าก็ไม่ใช่ นี่แหละอันนี้ก็คือล้วนแล้วจะเปิดหูเปิดตาให้กว้างให้เป็นคนมองมองพระศาสนาหรือมองพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้เดินให้เดินตามธรรมคาสอนจะไปปิดหูปิดตาี่จากนั้นเราก็จะได้เชื่อว่าตายแล้วเกิดได้ตายแล้วสูญท่านพิสูจน์อย่างไรจุดนี้ถ้าว่าคนพาตายแล้วสูญเน่ยมันจะไปทําความดีนะมันกลัวแต่กฎหมายเท่านั้นท่านเ ก็ตายแล้วมันศูนย์เนี่ยมันก็จบเนี่ยเหมือนวันพุ่งนี้ไม่มีเนี่ยเราจะเตรียมตัวให้โง่ทำใหม่สิ่งไหนที่เราจะได้เปรียบคนอื่นแล้วก็จัดการเถอทั้งปนทั้งจี้ทั้งฆ่าทั้งอะไรก็ตามแต่อย่าให้เขาจับได้วันพุ่งนี้มันไม่มีเนี่ยแต่ถ้าวันพุ่งนี้มีเละจะทํำยังไงถ้าเราทําไปแล้วเนี่ยวันพุ่งนี้เขาจับได้เขาจะ เล่นงานเราต่อไปภายภาคหน้านี่แหละนี่หละหลักของพุทธศาสนาท่านว่าตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกหลักพิสูจน์นั้นคืออะไรพระพุทธเจ้าให้นั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจสงบลงเป็นหนึ่งแล้วนะเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่ากลายกับใจอาศัยกันอยู่แต่ไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันมันคนละอันกัน ตัวพู้รู้รูเนี่ยคือนามธรรมตัวนีนะ้กับร่างกายเนะี่ยมันไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันมันแยกกันถ้าจิตสงบแล้วจะรู้ถ้าจิตยังไม่สงบเนี่ยไม่รู้แยกกันไม่ออกเออเหมือนกับแร่ธาตุกับก้อนหินอย่างนั้นเออแร่ทองคําอยู่ในก้อนหินอย่างนั้นะถ้าไม่มีเครื่องนะจะแยกไม่ออกทบอุมาก็เห็นแต่ก้อนหิน ถ้ามีเครื่องที่จะต้องแยกแยกนะเนี่ยทุบก้อนหินละเอียดบทละเอียดแล้วก็ไปเผาละเลงละลายทองคำก็จะออกมาเป็นทองคาก้อนหินหินมันก็ต้องเป็นหินนี่ก็เหมือนกันถ้าว่าสมาธิของเราไม่ดีเราก็มองไม่เห็นอีกเหมือนกันมองไม่เห็นกายกับใจนะแต่ถ้าสมาธิของเราดีจิตใจของเรา กันกรองเข้าไปเราจะเห็นได้ว่ากายกับใจเนี่เหมือนกับรถกับเหมือนกับคนขับรถอย่างนั้นมันอาศัยกันอยู่แต่หลักของพุทธศาสนาเนี่ยท่านให้ความสําคัญทองคําท่านไม่ใช่ให้ให้ความสําคัญเศษหินแต่มันอยู่ด้วยกันแต่ท่านให้ความสําคัญเรื่องของใจอย่าบอกมโนปุพังขมาธรมามโนเศรษฐามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจ นี่แหละใจตัวนั้นเราจะพาไปเกิดในภพภูมิต่างๆใจต้นใจตัว น, น, นั้นไม่สูญเลยนี่แหละถ้าเราเปิดกว้างเราเปิดหูเปิดตาให้คนตาบอดจูงนะเราก็จะเดินไปเราจะรู้จริงเห็นจริงไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราไม่หลับหูหลับตาแล้วก็นั่นแหละดันพลังไปเชื่อแต่กฎหมายกูก็ตะกฎหมายไม่เชื่อบาปบุญคุณโทษแต่าตามไม่จริงท่า เราได้ไปฏิบัติดูแลเนี่ยบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์มันอยู่ที่ใจที่จะต้องได้รับใจดวงนั้นใจที่เป็นนามธรรมเน่ยไปสู่ทุกขติและไปสู่สุขตินะแต่ร่างกายของทุกคนเน่ะอันนั้นแตกตายสลายแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นแต่นองนามธรรมตัวนั้ น, นไม่มีป่าช้าจะต้องออกจากภพนิชชาตินี้แนละ้วไปจับจองที่อื่นไปเรื่อย พวกเราเกิดมาเนะี่ยวิญญาณตัวนี้นะ่ะพอพอ่อแม่อยู่ด้วยกันอจากนั้นเนะี่เป็นโรงงานนะเราเขา้าเราก็เข้าไปจองรถนอะอไปจองรถก็คือไปจองในท้องแม่นะจากนั้นก็ขับรถออกมาก็เป็นร่างกายของเราเนะี่ยตัวที่เข้าไปจองรถนะ่ะคืออะไรคือนามธรรมคือตัวผู้รู้นะคือใจแล้วก็ออกจากพอร่างกายนี้แตก คนสอบรถก็ห น, นี้ออกจากรถคันนี้อีกเพราะมันพังแล้วเนี่ยมันหมดสภาพแล้วเนี่ก็ไปหาจองรถคันอื่นอีกไงนี่แหละเนีว่าพอพุทธศ า, ษ า, ษาสนาหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นทธนวันใจนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวตัวยงไงใจนี่เป็นนักท่องเที่ยวตัวยงเออไม่รู้ไปพบไหนชาติไหนไม่รู้จะไปที่ไหนต่อที่ไหนอบางทีก็ตกทุกข์แต่อยากหวัง บางทีเขไปสู่สวรรค์ชั้นพรมบางทีก็ไปเกิดเป็นสัตว์ที่ไรฉานบางทีก็ไปเกิดเป็นเปรตบางเกิดบางทีมาเกิดเป็นมนุษย์หูหนว ก, นวกตาบอดเป็นไปได้ทั้งนั้นใจดวงนี้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นพวกเราให้ศึกษาที่ผมพ่อพูดให้ฟังทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าไปเชื่ออถ้าเชื่อนะ่ะเหมือนกับควายดูงเพในเนไงก็ได้ไม่ใช่ให้พวกแต่พวกท่านอย่าปฏิเสธตาปฏิเสธก็เหมือนคนตาบอด หูหนวกตาบอดไปที่ไหนก็ไม่เชื่อใครทั้งหมดเดี๋ยวก็ถึกหายนะได้ง่ายๆตกเหียวตกบอ่อทางนันถ้าฝังเปิดหูฝังเปิดตาดูจากนั้นก็ฟังได้ทุกอย่างจากนั้นก็พยายามติดตามพอติดตามไปแล้วนะพวกเราจะไปถึงไปถึงแพทย์ไปถึงหมอแล้วก็ หมออาจจะรักษาตาของเราให้หายลืมได้มองได้เห็นได้รู้แจง้งเห็นจริงได้ในที่สุดแต่ถ้าพวกเราไม่เชื่อไม่ได้นะเดินไปแล้วลำบากตกทุกข์ได้ยากทุกคนก็ต้องมีจุดจบเหมือนกันนะั่นนะชีวิตนี้ไม่นของไม่เทียงแท้แน่นอนเราจะอยู่นานจากเท่าไหร่ อย่างเมื่อวานกันมือเช้าเหนื่อยนู้นคนอยู่ในหมู่บ้านอายุประมาณห้าสิบกว่าแต่ก็หัวใจวายไหลตายไหลตายตายตายไม่ได้สั่งเสียใครตายแบบหัวใจล้มเหลวมันตายมันมีมีมากมายตกคนไม้ควายชนรถชนรถเจียวมีมากมายความตายแต่เมื่อวานเนี่ยตาย เพราะว่าหัวใจร่มเหลวพอมาคิดถึงเรื่องนี้ก็มาคิดถึงเรื่องเขาเขียนเป็นนิทานเป็นแนวความคิดคุณอายุเจ็ดสิบปีตายตายแบบหัวใจล้มเหลวตายไม่ได้สั่งได้เสียใครตายตายปุบไปแล้วก็ยมมาโทษเขาก็ล็อกแขนสหารยมมาโทษ ล็อกแขนไปสู่ปารโลกภาคหน้าภายภาคหน้าตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดวิญญาณไปนะสิตายร่างกายเนี่ยตายแล้วนอนรถเนี่ยมันนอนอยู่นี่นะแต่คนขับรถเนี่ยคนขับรถเนี่ยทหารจมมันทุบล็อกแขนคนขับรถเนี่ยแต่แกเมื่อมีชีวิตอยู่น่ะแต่แกขับรถไปชนไปเฉียวใครบ้างวะ ไม่มีเมตตากับใครบ้างว่าเห็นงูเห็นหมาเห็นอะไรชนด่ไปหมดใช่ไหมฮะไปไปรับโทษโยมมรทูดเขาก็ล็อกแขนไปปอกแปลนไปไปถึงยมมทูดใหญ่พิพากษาใหญ่ก็เข้าไปตะแกคนนี้ก็เห็นยมมทูดนั่งอยู่บนศาลประธาน ตำ บ, บันหน้าใส่เลยเหมือนกัฮะท่านเอยมมาโทษทํากับข้าพเจ้าไม่เป็นธรรมเลยเอ้าวอะไรเยจับข้าพเจ้ามาแล้วไม่ได้บอกกล่าวเลยว่าเออน่าจะบอกกล่าวซะก่อนว่าเอไปแล้วนะทําอย่างงั้นนะนะข้าพเจ้าก็จะได้สั่งเสียพี่น้องลูกหลานพี่ในกองพี่ในกรรมของข้าพเจ้าก็มี นี่สินของข้าพาเจ้าก็มีอันนี้จับมาไม่ได้บอกข้าพเจ้าแสดงว่าไม่เหตุความเป็นธรรมกับข้าพเจ้าเลยท่านทำอย่างนี้ได้อย่างไรทางโยมมาทูดเขาก็ตบโต๊ะเปียงนะฮอันนี้เป็นโยมมาทูดนะปัลโลกนะพูดอ้อแอะไม่ได้นะตลบละตะแลงตลบซ้ายตลบขวาไม่ได้นะไม่ใช่มนุษย์นะอันนี้ปัลโลกนะ ย่ ม, มาทูดเข้าขู่ว่างั้นเตือนมาเป็นลูกกี่ครั้งแล้วทาไมไม่ฟังท่านเตือนผมที่ไหนครับไม่เห็นเตือนผมสักครั้งเลยมากระจับมาเลยเนะ อ, อายุเท่าไหร่ใส่แว่นตาประมาณสามสิบกว่ากว่าครับทาไมจึงใส่ดูโทรทัศนมันมองไม่เห็นภาพชัดครับอ่านหนังสือก็ไม่ค่อยออก ก็เลยตัดแว่นใส่นั่นแหละจดหมายฉบับที่หนึ่งเตือนไปแล้วแก่แล้วนะแล้วผมขาวอายุเท่าไหร่ผมงอกประมาณห้าสิบครับนั่นแหละจดหมายฉบับที่สองยมมาทูดเขาเตือนเป็นระยะระยะแต่ตัวเองไม่ฟังวนะดันทุลังเามือนกันพ่อใส่พ่อแว่นตาไม่ดีตาไม่ดีก็ตัดแว่นมาใส่ซะงพ่อผมขาวเอาสีมาย้อมซะฝันหลุดอายุเท่าไหร่ สี่สิบฟ้ครับเริ่มฟันหลุดนั่นแหละจดหมายฉบับที่สามคือยมบรรทูดเขาเตือนมาตลอดตัวเองดันทหลังไม่ฟังนนะเงีอยผลที่สุดยมบรรทูดเห็นไหมบอกแล้วนะเตือนแล้วไม่ฟังจะเอาอยัางไงอีกไปทหารเอาไปลงกระทะให้ชุบกระทะจะให้เข็ดมันทําไมไม่ฟังวะทํำไมทําความชั่วนะทหารยมบรรทูดก็ล็อกแขนไป ไอ้หนุ่มคนหนึ่งคือขึ้นมาอีกเลยเกลียงคิวขึ้นมาขึ้นมาหายมบรรทุดท่านยมบรรทุดทับที่ผมที่ท่านพูดเมื่อกี้นี่ผมก็ฟังอยู่ครับอที่ท่านเตือนไปนะแต่ผมเนี่ยท่านไม่ได้เตือนผมเลยผมอายุยี่สิบกว่าปีเนี่ยเพระท่านไม่ได้ผมผมก็ยังไม่งอฟันผมก็ยังไม่หลุดตาผมก็ยังดีอยู่แต่ท่านเอาเอาผมมาเลยเแสดงว่าผม ท่านไม่ให้ความเป็นธรรมสำหรับผมเหมือนกันนะยมมาทัว ก, กัตบตบตบ๊ะเปี้ยงไอ้นมการเตือนของเราไม่ใช่เตือนอย่างเดียวนะเรามีวิธีการเตือนหลายอย่างแต่เธอเนะี่ยดันทุ่ังเพื่อนของแกเนี่ยตายไปเมื่อกี้นะอายุเท่าไหร่อายุยี่สิบสองปีครับแต่แกเท่าไหร่ผมยี่สิบเอ็ดครับทำไมเขาจึงตายเขาโหมดเขาไตาวายครับ ตะแกตายเพราะอะไรปอดบวมครับนั่นแหละในเมื่อเพื่อนตายแล้วทำไมไม่คิดว่าตัวเองก็จะตายอีกสักวันหนึ่งขนาดนุ่มๆเขายังตายตัวเองจะไม่ตายอย่างนั้นใช่ไหมเจ้ให้เราันาดนะเราเตือนแล้วนะต้องคิดมาหาตัวเองใช่ไหาคนอื่นเขาก็ตายตัวเองอีกสักวันหนึ่งข่าจะต้องตายเหมือนกับคนนั้นนี่แหละอันนี้เราเตือนแล้วตาแกได้คิดไหม ไม่ได้คิดครับเออเอามันยังไม่ได้ทํากรรมอะไรมากไปไปหาเกิดใหม่แต่ต่อไปนี้ต้องฟังไว้นะยมมาทูเตือนนะเนี่ยพราะนั้นพวกเราเนี่ยยมมาทูเตือนกี่กี่อย่างแล้วนะให้พวกเรารู้ๆสช่เนี่ยเตือนกี่อย่างแล้วยมมาทูเพราะนั้นพวกเราจะตั้งอยู่ในความประมาทนะอันต่อไปรับผ่อนอนุมโมทนาให้ผ่อ